บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่ององค์ฌานซึ่งเป็นผลที่โนผู้เจริญสมถกรรมฐานต้องการเรามื่อองฌานเหล่านั้นมันเกิดขึ้นวิยธรรมหน้าที่สงบนิวรณซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคล ตามสมควรแก่ฐานะขององค์ชาญเหล่านั้นคือความวิตกตรึกนึกด้วยอำนาจของกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่าทำหน้าที่สงบที่นมิทะคืออาการม่วงเหงาหานอนซึ่งซึม ง, ง, งอยงเงาซึ่งมักจะปรากฏแก่จิตของบุคคลวิจารการใส่ซองพินิจพิจารณาที่ประกอบด้วยกุศลจะทำหน้าที่ะจัด วิจิกิจจาคือความเครียดแครงสงสัยที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลและปีติอาการเอิบอิ่มที่ปรากฏขึ้นภายในใจสืบเนื่องมาจากใจได้สัมผัสรดแห่งความสงบจากสมาธิเพย่อทมหน้าที่สงบความเร่าร้อนด้วยแรงพยาบาทซึ่งเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของบุคคลให้สงบลง สุขคือความสบายกายสบายใจที่สืบเนื่องมาจากสมาธิช่ดเดียวกันกิยธรรมน้สงบกุทจักกุกุจ ะ, งงกะก จ, จะคือความฟุ้งซ่านรำคาญสั้สายของใจเอกกตาคือสมาธิหรือจิตที่รวมอยู่ในจุดเดียวหรือมีอารมณ์เป็นอย่างเดียว เมื่อเกิดขึ้นก็นจะทำหน้าที่สงบกามาฉชันทนิบวนันแต่แกสภาพข้นจิตที่สายไปควยคว้าปรารถนาอารมณ์ที่ท่าใคร่ทาาปรารถนานาพอใจพวกเหล่านี้จะเป็นผลเกิดขึ้นตามลำดับของการประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตใจของบุคคลมีความประนีตมากขึ้นเท่าไหร่ อาการของชาญเหล่านี้ก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตโดยลำดับพันเวลาท่านเรียงไว้เป็นสีระดับอาการของกุศลเหล่านี้ก็จะส ง, งบลงไปจนอยู่ในจุดหนึ่งที่เรียกว่ามีเฉพาะอุเบกขากับเอกแกตตาคือจิตที่มัธยัติเป็นกลางไม่สายไปในอารมณ์ อย่าดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะดูความรักหรือความชังก็าตามแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอาการของปัญญาที่มองเพ่งพินิษ ด, ดูอารมณ์หรือดูจิตของตนในขณะนั้นๆและพร้อมที่จะรับเปลี่ยนไปตามสมควรแก่อารมณ์ที่ปรากฏแก่จิตในแต่ละขณะและประกอบโดยเอกกตาคือสมาธิที่มั่นคงรัดแน่น นั้นเป็นผลระดับฌานแต่ในขณะเดียวกันกุศลและธรรมทั้งหลายแม้ว่าจะกุศลแธรรมระดับใดก็ตามแม้แต่ระดับนิพพานเองในส่วนหนึ่งบุคคลก็สามารถสัมผัสได้ในช่วงใดขณะใดที่สามารถสงบกิเลสได้ก็สงบทุกข์ได้ในช่วงนั้นขณะนั้นก็ชื่อว่าได้สัมผัสสภาวะของนิพพานระดับหนึ่ง แม้จะไม่ใช่เป็นนิพพานที่แท้จริงแต่ก็เป็นนิพพานระดับในขณะนั้นๆที่ท่านเรียกว่าเป็นตทางกับ น, นิพพานคือกา ร, รดับโดยองค์นั้นๆหรืออารมณ์นั้นๆที่สมัยโบราณท่านเรียกว่าเป็นนิพพานดิบคือไม่ใช่นิพพานตัวจริงเป็นนิพพานดิบโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงเห็นว่า จิตใจของบุคคลนั้นสามารถสัมผัสกุศลและธรรมในระดับต่างๆส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งอยู่เสมอการสงบนิวรนั้นมีหลายระดับด้วยกันระดับหนึ่งเป็นระดับของการป้องกันเช่นว่าการพยายามสํารวมรวงอินทรีย์ ไม่ปนนไปกำหนดหมายอารมณ์ในแง่น่าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจมากเกินไปก็เป็นการสกัดกั้นกระแสของกามมัจฉันที่ดีกว่าเอาไว้การไม่มองคนมองสัตว์ด้วยความหมงุดหงิดหรือด้วยความไม่พอใจหรือพูดง่ายๆมามองกันในแง่ร้ายมากเกินไปก็จะเป็นการปิดกั้นกระแสของความอาคตาิปยาบาทเอาไว้การควบคุมเรื่องอาหารในการบริหารร่างกาย ทำใ จ, ใจอดอาหารรืดเริ ง, รงมีความเพียนพยายามในภารกิจการงานที่เราจะต้องจัดจะต้องทําในชีวิตประจำวันก็เป็นการสกัดกั้นเชื้อของความง่วงเหงาเอ า, าอนอนซึ้งๆเอาไว้กา ร, รยพยายามควบคุมความคิดจิตใจส ง, งบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าการงานที่เราทำหรือเรื่องที่เราสนทนากัน หรือแม้แต่จะนอนก็ให้สงบอยู่กับเรื่องการนอนเป็นต้นก็เป็นวิธีป้องกันอุทจักกุกุจักคือความพุ้งสั้นสัสายของจิตและได้รับอารมณ์อะไรที่ผ่านมาทางประสาทาสัมผัสก็พยายามใช้ปัญญาพินิพิจนาโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าโยนิโสพนัสิกาหรือการทำไว้ในใจด้วยบาดแยบข่าย ไม่ปรงใจเชื่ออะไรง่ายๆก็จะช่วยทาหน้าที่ขจัดวิจิกิจชาคือความเครีบแครงสงสัยออกไปติเตีนว่าวิธีเหล่านี้เป็นวิธีท้งการป้องกันและก็ ก, การบำบัด น, นิวรณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นภายในจิตแต่ในแต่ผลระดับชาตนั้นเป็นการเพิ่มกุศลขึ้น แต้เมื่อปริมาณของกุศลดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นปริมาณของนิวนณิวรณ์ก็จะลดลงเองทํานองคล้ายๆกับ ค, ความเย็นเพิ่มขึ้นความร้อนก็ลดลงนั่นเองแต่นั้นแม้ในชีวิตประจำวันบุคคลก็สามารถสงบนิวรณ์ด้วยองค์ฌานคือเนื้อหาขององคฌานนั้นๆแม้จะไม่เป็นองค์ฌานเต็มรูปแบบแต่เราก็ใช้ การตรึกนึกที่เป็นกุศลก็ส ง, งบความง่วงเหงาซึ่งซึมตลอดถึงอาการของนิวรณ์ข้ออื่นๆลกไปได้ในระดับนั้ น, น, นการวิจารก์กการใช้เหตุผลทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ช่วยะจัดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไปได้การทำใจให้โปร่งให้เปล่า ไม่ไปเก็บกดอารมณ์ไว่มากๆสภาพจิตก็จะมีความเข้มแข็งกระทบกับอารมณ์อะไรก็ไม่หงุดหงิดให้ง่ายหรือโกรธง่ายหรือว่าเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้มากๆสภาพกายสภาพจิตที่มีความสุขคือพยายามเสริมสร้างให้สุขรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางรู้จักลดรู้จักละใช่บ้างมันจะทําให้ ความฟุง้งซ่านรำคาญหงุดหงิดต่างๆงก็งสงบลงไปการทำใจสงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ช่วยบรรเทาพว ก, กามอมา่สันลงไปได้ซึ่งแสดงเห็นว่าขอเพียงกุศลธรรมก็ใดข้อหนึ่งมาเกิดขึ้นเท่านั้นเงองก็จะดึงดูดเอากุศลธรรมเหล่าอื่นให้เพิ่มตามมา และเมื่อปริมาณของกุศลเพิ่มปริมาณของอกุศ ล, ลก็ ล, ลดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาราคากับลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวและมาเน้นถึงเรื่องของอุเบกขาอุเบกขานั้นมีอยู่หลายระดับทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆถึง10ระดับด้วยกันถึงถ้าหากว่าบุคคลสามารถทําใจให้กรอบด้วยอุเบกขาได้ เนื่องจากเบคาเป็นอาการของปัญญาหรือลักษณะของปัญญาซึ่งเป็นสุดยอดของธรรมเมื่อก็เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ทาหน้าที่กระจัดเฉพาะโมหะอย่างเดียวแต่กระจัดได้ทั้งโลภะก็จัดได้ทั้งโทสะเพรโลภะกับโทสะนั้นก็เกิดขึ้นมาจากโมหะเมื่อโมหะถูกจัดโลภะโทสะก็ถูกจัดตามไปด้วย อุเบกขาที่เราคุ้นกันมากก็คื อ, อเบกขาในพรหมิหารสมัจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆอุเบกขาในพรหมิหารนั้นคือการทำจิตมัธยัติได้อยู่ตรงกลางเป็นการมองคนมองสัตว์มองธรรมจี่หมายความว่าในกรณีสมัครคนทั่วไปซึ่งอยู่โดยสภาพปกติธรรมดา แล้วก็มีจิตปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีการประทุสลายกันเบียดเบียนกันระหว่างเรากับคนอื่นหรือระหว่างคนอื่นกับคนอื่นระหว่างสัตว์อื่นกับสัตว์อื่นหรือระหว่างสัตว์อื่นกับเราไม่ไดยามคนอื่นสัตว์อื่นเขาประสบความเดือดร้อนประสบภัยอันตรายก็ มีกุศ ล, ลเจตนาที่ต้องการจะเห็นเขาหลุดรอดจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นถ้าวขวนขวายด้วยกายด้วยวาจาได้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือทั้งด้วยกายและด้วยวาจาในกรณีที่คนก็มีความเจริญเข้าวหน้าประสบความสําเร็จแล้วก็แสดงความชื่นชมยินดีกับเขาแต่มีการกระทําบางอย่างมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ถ้าขืนไปทําอะไรเข้ามันจะสร้างปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาเช่นในกรณีที่ญาติพี่น้องอันเป็นที่รักของเราไปประกอบอาชญากรรมทําผิดเป็นที่ไปจากแจ้งแก่ใจของคนทั้งหลายและแม้แต่ตัวเราเองในกรณีเช่นนั้นเราจะมองที่คนด้วยอํานาจเมตตากรุณามุติตาไม่ได้ เข แ, แสดงเมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้มุทิตาก็ไม่ได้แต่ยังอสอนให้มองในแง่ของธรรมะคือในแง่ของกรรมอย่างที่สวดสาธยายกันแล้วก็ทําใจเป็นกลางไมาแสดงความยินดียินร้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นก็เป็นไปตามกรรมเขา แต่การมองในแนวนี้ไม่ได้มองเฉพาะกรณีนี้แม้กรณีอื่นเช่นลูกเต้าขเขาตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้ใหญ่เี็ครอบมีครัวมั่นคงแล้วถือเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าหากว่าพ่อแม่ไปวุ่นวายจุนจัานไปเจ้ากิจการภายในครอบครัวเขามากไปด้วยความเมตตาหรือหวังดีอะไรก็ตาม แต่ที่จะเกิดเป็นความสงบสุขภายในครอบครัวของลูกก็กลายเป็นความวุ่นวายขึ้นไปในครอบครัวลูกเพราะในกรณีนี้ถ้าก็สอนให้เมตตาให้ให้ใช้อุเบกขาคือทำใจสงบเป็นกลางตอนนี้ลูกก็อยู่ดีมีสุขไปแล้วเราก็สงบไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกัรบเขานี่คือลักษณะของการใช้ปัญญานำก่อน ภายในกรณีนี้ควรเดยวปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาเมื่อเห็นว่าเราใช้เมตตากรุณาเมิตาไม่ได้เราก็ใช้อุเบกขาแต่ว่าเป็นการใช้หลังจากได้ใช้ปัญญาไปก่อนพนิจารณาเทียบเคียงไปก่อนมองเหตุมองผลกันก่อนอุเบกขาจึงเป็นอาการของปัญญาดังกล่าว อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าชลังอุเบกขาอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายอุเบกขาที่ผ่านเข้ามาภายในใจซึ่งหมายความอารมณ์ที่ผ่านมาต่งตางๆหูจมูกลิ้นกายของเรานั่นเองปัญญาได้ตรวจสอบพินิช์พิจารณามีการแยกแยะอารมณ์เหล่านั้นออกไปอย่างชัดเจนอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็พยายามป้องกันเอาไว้ หรือแม้เกิดขึ้นภายในใจก็พยายามบรรเทาพยายามสงบพยายามลดพยายามละอารมณ์ที่เป็นกุศลก็พยายามเพิ่มปูนขึ้นพยายามใส่ใจสนใจน้อมนํามาสู่จิตใจขันตดเหตุการบางอย่างถ้าใส่ใจไปแล้วมันก็มีปัญหาถ้าวุ่นวายไปก็มีปัญหาก็ทําใจสงบเป็นกลางๆ ไม่ปล่อยให้เกิดความยินดียินร้ายครอบนำใจเพราะการใช้อุเบกขานแนวนี้มันก็ใช้อยู่ตลอดเรารับข่าวสารต่างๆที่ผ่านมาจากแหล่งต่างๆมากเหลือเกินเราเป็นยุคข้อมูลข่าวสารถ้ากระโจนเข้าไปรับทั้งหมดสุขภาพจิตก็คงจะย่ำแย่ไปพราะการทําใจอุเบกขาในลักษณะ น, นี้แม้จะไม่ถึงระดับชานคือจเจริญอยู่ในสมาธิ แต่จะเป็นการรักษาสุขภาพจิตของเราไว้ไม่เพิ่มปัญหาขึ้นภายในจิตใจของตนเองอุเบคายประการหนึ่งเป็นอุเบกขาที่สร้างความรู้สึกกระจายออกไปที่ท่านเรียกว่าอัปปรมัญญาคือไม่มีประมาณ หมาความว่าเราได้ยินในความเหตุการณ์ต่างๆมากมายในกองอย่างกลางแล้วแต่ขยายออกไปในส่วนต่างๆของโลกแต่แม้แต่ทั่วประเทศของเราอยู่ในภาคต่างๆแต่เราจะอุ้มเรื่องเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแต่มาวิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใยอาทรในขณะเดียวกันเราก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ใช่ฐานะหน้าที่ของเรา การไปอุ้มไปแบกบไปรับอารมณ์ในรักษณะนี้จะทำให้จิตใจสูญเสียความสงบเรียกว่าเป็นการหาเรื่องมาหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนพระเบิคานี้ก็คือการตั้งใจที่แพ่ไปที่จริงเป็นการไปวัดระดับกรรมฐานทีเรียกว่าอภปัญญา ก็คือธรรมะได้แก่พรุมิหารนั่นเองแต่ว่ามีคุณภาพเข้มข้นขึ้นหมายความว่าปริมาณของเมตตาก็แผ่ไปในทีต่ต้องปวงโดยไม่เจาะจงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอุนามุติตาก็มีลักษณะอย่างนั้นอุเบกขาก็ขยายแวดพงกว้างออกไปคือทำใจมัธยัสถ์เป็นกลางไม่รอให้เกิดยินดียิ น, ยนร้ายในอารมณ์ทั้งหลาย ซึ่งดูแล้วจะมีความเชื่อมโยงอยู่กับอุเบกขาในอารมณ์หเสมอไปทั้นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรารับอารมณ์มาทางประสาทสัมผัสอย่างไงอย่างไงก็ต้องเชื่อมโยงอยู่กับอารมณ์หแม้อุเบกขาฌานที่เรียกว่าชานุเปกขาเป็นาการปรับเปลี่ยนของจิตที่มีความประนีตขึ้นมาโดยจ ำ, ำัำ อันที่จริงก็คือการรับอารมณ์ทางประสาทที่6ได้แก่จใจแต่เป็นใจที่มีพลังเป็นใจที่ได้รับการเสริมสร้างมาโดยการปฏิบัติสมาธิภาวนาและสามารถซส ง, งบแม้แต่สิ่งที่เป็นกุศลเช่นความตรึกที่เป็นกุศลความใจตรองที่เป็นกุศลปีติและความสุข ซึ่งวันที่จริงเขาก็เป็นองค์ฌานแต่ก็ซึสงบไม่ได้เพราะไรเพราะพวกเหล่านี้แม้แต่ดีเนี่ยคือติดดีเพลิดเพลินกับความดีทั้งหลายหรือหลงดีเ้าก็มีปัญหาเหมือนกันซึ่งคนนี้ท่านสาวชนทั้งหลายคงจะนึกได้ว่าอาลาดาบทอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่จริงแล้วท่านก็ได้บรรลุอรูปฌาน แต่ก็เป็นลักษณะของการลงดีติดดียุดดีแล้วก็มัวมองในความดีมายอมศึกษาค้นคว้าต่อไปการศึกษาปฏิบัติในจุดนั้นสัมผัสผลในระดับนั้นเจ้าชายตาตะท่านก็สัมผัสท่านก็ได้บรรลุฌานเหล่านั้นแต่ท่านไม่หลงดีไม่ติดดีไม่ยุดดีท่านศึกษาค้นคว้ากระต่อไปจนได้คําตอบว่ารู้แล้ว กิเลสก็หมดไปแล้วโรงจึงได้เลิกการค้นคว้าสแสวงหาเพราะไม่มีอะไรสแสวงหาอีกต่อไปแต่การหลงดีติดดีก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะที่จริงแล้วการศึกษาการปฏริบัติธรรมนั้นให้ลองสังเกตว่ามันจะเริ่มจากมากแล้วก็น้อยไปเรื่อย ตัวกิเลสนั่นจะมีปริมาณมากหรืออารมณ์ที่เรายึดติดมันจะมีปริมาณมากแต่สุดเมื่อจะลดลงไปลดลงไปลดลงไปจากความมีตัวมีตนมีอะไรมากมายกายกองมันก็เดินไปเรื่อยๆจนกลายเป็นไม่มีตัวมีตนอะไรจะเรียกเข้าถึงความเป็นอนัตตาแห่งธรรมและแม้แต่วัตถุสิ่งของก็ถูก ปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เป็นนา ม, มาธรรมอย่างที่เราพบท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่นางวิสาขาธนานาตบินิกเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีโลกอื่นที่สลายทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาลออกไปเป็นนา ม, มาธรรมคือเป็นบุญนั้นแสดงอาการของจิตที่มีการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปรวัตถุทั้งหลาย แม้จะมีความรู้สึกเป็นของเราอยู่แต่ว่าของเราเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพาถึงจุดหนึ่งก็แยกย้ายกันไปสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในโลกนี้แล้วก็แยกสลายแบบสังขารั้านในตัวเองก็ต้องแตกลับไปทำอย่างไรจึงจะได้สาระประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า การมองโลกในแง่แนวของสัตว์บุรุษหรือคนฉลาดหรือนักปราชญ์นั้นท่านจะไม่มองในชั้นเดียวแต่จะมองถึงสองระดับหรือสามระดับให้ความมการกระทำของเราในปัจจุบันนั่นเองเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในปัจจุบันด้วยเป็นไปเพื่อความสุขความสงบในชาติหน้าด้วยและในขณะเดียวกันเมื่อ ยังไม่มั่นใจถึงผลเหล่านั้นว่าจะมีพลานุภาพส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุมรรได้ท่านก็มองในแง่ของอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานาแสดงว่าทรรมเพียงครั้งเดียวแต่ก็มีผลทยอยกันไปถึงสามภพสามชัติถึงสามช่วงด้วยกันประทนงคล้ายๆกับการสร้างบ้านสร้างเรือในมั่นคงแข็งแรงหรือว่า รลกตไม้อะไรต่างๆขึ้นไว้โดยจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่คนรุ่นเรารุ่นลูกแล้วก็รุ่นเราต่อไปธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะมองการยาวยาวนานไม่จะมองช่วงสั้นๆเอาชาตินี้พบนี้เพียงอย่างเดียวแต่ก็มองไปชาติหน้าพบหน้าแล้วก็มองได้เรื่อยไป นั้นแสดงให้เห็นว่าปัญญาัเพิ่มขึ้นความกระดัเพลิดเพลินยินดีในวัตถุกรรมทั้งหลายก็ลดลงไปหมายความว่าใจถึงจุดหนึ่งมันก็ เ, เป็นอุเบกขาคือไม่ยินดียินไรในจริงเดียน้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จริงก็คือยินดีแต่ว่ายินดีเมื่อมันแปรสภาพไปจัง รูปแบบความคิดของคนระดับพระโพ ธ, ธิสัตว์ระดับพระอรหันต์ทั้งหลายก่อนท่านจะเป็นพระอรหันต์ท่านจะมีแนวความคิดอย่างนี้นจากในกรณีของสุมเมตตาปตุตที่ท่านมองเห็นทรัพย์สมบัติทั้งสืบทอดมาจากสามชคลคนคือจะทอดมาปู่มาปู่มาพ่อและมาถึงท่านซึ่งเป็นช่วงที่สี่ ท่านมองเห็นว่าบรรผู้หลุดเหล่านั้นได้ทำลายโอกาสของตัวเองที่จะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นหมายความท่านก็ได้ประโยชน์แต่ก็ได้ประโยชน์ในพวกเดียชาติเดียว้วทำยังไงเมื่อท่านรับมรดกมาจากคนทั้งสามชั่วคนแต่ต้องการย้ายได้รับประโยชน์จากทรัพย์สมบัติเหล่านั้น ไม่เฉพาะชาตินี้แต่ก็รับในชาติต่อไปออกมาในรูปของการสละละวางตื่หมายความว่าปัญญาได้เกิดขึ้นพิจารณาเห็นประโยชน์ที่ประเสริฐกว่าดีกว่าช่วงยาวกว่าแต่ใจิตใจก็ลดความโลภลงไปเพราะถ้ายังมีความโลภอยู่มันก็สละละวางไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่เราให้นั้น เรามองเขาด้วยความเมตตาแสดงว่าเราก็ลดความโกรธลงไปด้วยใ น, นการกระทาเหล่านั้นเองมันก็กลายเป็นการลบลดโกรธลงแต่ปัญญามันเกิดขึ้นก่อนการพิจารณาสืบสาวย้อนไปยอดมาแล้ในสุดท่านก็หาข้อสรุปได้พรันความคิดในแนวนี้จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำให้บรรลุมรคผลนิพพาน ดจริงแล้วยังไม่มีกำลังมากพอเราก็กลายเป็นการสร้างเขรแต่งความสุขในปัจจุบันโดยการปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นจิตใจไม่ไปเกี่ยวเกาะอยู่กับระรมณ์ดอกนั้นจนในสุดท่านก็ออกปวดอย่างที่ทราบกันผลส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ที่ท่านได้ในปัจจุบันส่วนหนึ่งก็เป็นบุญส่วนหนึ่งก็เป็นบา ร, รมี ในส่วนกงบุลก็สนับสนุนให้ท่านบังเกิดในภพชาติพีปนนบในโอกาสต่อไปในส่วนของบารมีก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อมานั่นคือปรีชายานของคนระดับที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระหันในโอกาสต่อไปเป็นการใช้ชีวิตจยงมีปัญญามีเหตุมีผลเพราะธรรมะปฏิบัติทั้งหลาย ว่าจะเริ่มที่จุดใดก็าตามคือต้องมีปัญหาเข้ากำกับอยู่ข้างหลั ง, งในกรณีของเบิกขาไปสังเกตว่าในกรณีของปัญหาต่างๆนอกวิสัยคือเราไม่สามารถจะใช้เมตตากรุณาบุติตาได้ในกรณีนี้ท่านก็สอนให้ใช้เบิกขาทีนี้ถ้าขืนไม่ใช้หรือไปใช้อย่างอื่นมันจะมีปัญหาทันที แทนที่จะแก้ปัญหามันก็กลายเป็นการสร้างปัญหาถ้าสร้างปัญหามันก็กลายเป็นเรื่องของคนโงท่ที่ขยันแสดงให้เหน็นถึงปริมาณปัญญามีไม่มากพอที่จะคุ้มครองตัวเองปัญหามันก็ทบไปถึงคนอืน่นดังการพยายามทําใจให้รู้สึกกุเบขาได้ในอารมณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ผ่านมาทางอารมณ์ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือด้ได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้อง มีการวิเคราะห์ตรวจสอบเรื่อ ง, งนั้นแต่ทำใจเป็นเบกขาอย่างคติไทยเราที่พูดกันตุระไม่ใช่ช่างเขาเถิดไม่เป็นไรปล่อยก็ไปเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวรกรรมไดใครก่อคนนั้นก็รับกําไปอะไรเป็นต้นริงเหล่านี้ถ้าใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมเราก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความส ง, งบในด้านจิตใจ แต่เพิ่งสังเกตว่าไม่ใช่ทุกกรณีไปแต่เป็นเป็นกรณีกรณีไปว่ากรณีเนี้ยถ้าทำอย่างอื่นแล้วจะมีปัญหาก็ใช้เบเกขาแต่บางอย่างไปใช้เบเกขามันก็มีปัญหาเช่นสมมติว่าคนเขาประสบอันตรายเด็ดร้อนเราก็มองเขาด้วยเบกขาไออย่างนี้ใช้ธรรมะไม่เป็น สรระในกรณีนี้ต้องใช้กระรุณาไม่ได้ใช้เบิกขาหรือว่าเพื่อนประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็ไม่แสดงอะไรเลยก็อยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านเฉยๆอันนี้เป็นอาการใจจืดไม่ใช่เป็นอาการของเบิกขาเพราะการดูธรรมะนั้นจะต้องเข็นธรรมะที่จิตเพราะบางอย่างเนี่ย ที่เราไม่ไปมันอาจจะเป็นเรื่องแข่งดีอาจจะเป็นเรื่องริษยาอาจจะเป็นเรื่องขาดความมีน้ำใจก็ได้ซึ่งเวลาปฏิบัติไปก็ต้องตรวจสอบดูว่าจริงๆมันเป็นธรรมะหรือว่าเป็นกิเลสกันแน่เราต้องมองให้เห็นธรรมะจึงจะได้รับผลตามที่ประสมจริงๆเห็นได้ว่า เนื้อหาของธรรมะประเภทที่เป็นองคศาว่าจะเป็นวิตกวิจารปีติสุขหรือเอกขาตากรต็รตางเป็นกุศลธรรมที่บุคคลสามารถสร้างให้เกิดขึ้นภายในจิตตามสมควรแก่อารมณ์ในขณะนั้นๆน่ น, นอนอาจจะไม่มั่นคงถาวรยั่งยืนถ้าก็ช่วงที่เราได้ด้วยการเตริญกรรมฐาน แต่ก็เป็นฐานเป็นพื้นใจที่จะโน้มน้อมใจก็าหาความสงบได้ง่ายขึ้นเพราะนี้คือกุศลและธรรมที่ทำหน้าที่ตัดรอนบันทอนความรุนแรงของนิวรธรร ม, มทั้งหลายเมื่อนิวรเหล่านั้นในชีวิตประจำวันก็เราสงบออลงไปพอเจริญกรรมาฐาน โอกาสที่จิตจะยังเข้าสู่ความสงบก็จะเป็นไปได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นคุณศรธรรมจึงส่งสอนตอกย้ำเน้นไว้ให้ทำในขณะนั้นๆอยปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปพยายามฉกช่วยโอกาสที่จะเสริมสร้างคุณธรรมความดีเหล่านั้นเมื่อเพิ่มพูนขึ้นมาได้ ทำเหล่านั้นก็จะหน่วยความสุขให้ตามสมควรแก่ฐานะต่อจา น, นี้ไปกรขอให้ตั้งใจทาความสงบจืบต่อไป